ธรรมะกรรมทะวาทะสกะว่าด้วยนิยสกรรมที่ไม่ชอบธรรม12บสองหมวดหมวดที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายนิยสกรรมประกอบด้วยองค์สามที่จัดว่าเป็นกรรมไม่ชอบด้วยธรรมเป็นกรรมไม่ชอบด้วยวินยันและระงับไม่ดีคือหนึ่งลงรับหลัง